ต้นต่อทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายฉบับตอนนี้ก็จะนํำมาเรื่องเนี่ยอะไรอ่ะมัตตอรุณลีเทพปบุทเมื่อเล่าต่อเมื่อวานนี้ฉบับเมื่อวานนี้เรื่องไปจบลงตอนที่พราหม์กับมัตตอร์ุณลีเทพประบุคุยกัน รำร้องไห้เพียงลูกที่ตายไปแล้วจะมองไม่เห็นแต่เทอว่าม่ตะกนารีเทพบุตรเธอร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างมาเป็นลอเล่ของเธอก็เลยยันกันขึ้นมาว่าเราสองคนเนี่ยใครจะบ้ากว่ากันคนหนึ่งร้องไห้เพงลูกที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาตายแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหน แต่สาหรับอีกคนหนึ่งมีความต้องการดวงจันทรดวงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ในที่สุดท่านพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ยอมรับว่าตัวบ้ามากกว่าลูกใน ต, ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าลูกเป็นเพียง ว, ว่ายอมรู้ตัวบ้ามากกว่าคนที่ร้องไห้ร้องไห้ถึงดวงจันทรดวงอาทิตย์สาหรับวันนี้ก็อย่าต่อ เป็นอนุว่าพอพรามยอมรับนับถือว่าถ้อยคำของของเจ้าหนุ่มน้อยที่มีผิวเหลืองร่างกายคล้ายกับมัตตกุลเลีลูกชายเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องและก็เป็นถ้อยคำที่สามารถถอนความเศร้าโศกทั้งโลกชายได้ฉังนั้นพรามจึงได้ถามเขาว่านี่กอบคุณอยากจะทราบว่าเธอน้าชื่ออะไร ตอนนี้ตามท่าบาลีท่านผูกปพันธ์เบงคาถาว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทานหรือว่าเป็นท้าวปุรินทสกะเทวราชคำว่าปุรินท้ากะเทวราชก็หมายถึงพระอินถามซ้ำอีกว่าท่านชื่ออะไรหรือว่าเป็นบทของใครอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะรู้จัก นี่เป็นค่อยคาถามของพระามอยากจะรู้จักท่านจริงๆท่านใน ม, มีเหตุมีผลมากถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กคราวโลกค้าหลานแต่ ว, ว่าวายจารของท่านใน ม, มีสภาพเป็นนักปรารถนในลำดับนั้นท่านมานพทินีกล่าวว่าท่านพระามท่านเผาบุตรคนใดคนใดของท่านไว้แล้วในปราชา แล้วก็ท่านมานั่งข้าคว ร, ร้องไห้ถึงบทคนใดบทคนนั้นคือข้าพเจ้าต้อใเจ้าทำกุศลกรรมแล้วตายจากความเป็นคนได้เป็นเทวดามาตอนนี้พรามชักงงนั่งงงเอ๊ะนึกนึกในกใจว่าไอ้เจ้านี่มันลูกเราหรื อ, อยังไง ความจริงหน้าตารูปร่างมันก็เหมือนลูกเราจริงๆแล้วลูกเราก็เผาไปแล้วแล่วในนี่บอกว่าเป็นลูกของเราแล้วก็เธอบอกว่าเธอทําบุญทำกุศลตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาจะไปนั่งนึกในใจว่าไอ้บ้านเรานี่มันไม่เคยทําบุญพระสมณะโคดมกับพระสาวกของพระองค์ เดินผ่านบ้านอยู่ตลอดเวลาเราถือศาสนาอื่นคือมีศาสดาองค์อื่นเป็นที่เคารพแม้แต่มือจะพึงยกมือไหว้ก็ดีถึงแม้ว่าจิตจะคิดว่าเลื่อมใสในภาสพาสมณะโคดมก็ดีเราไม่เคยทำเพราะว่าเรามีคณาจารย์ใหญ่สอนเราอยู่แล้วคืออาจารย์นันหกมีบุราณนกศึกเป็นต้น หรือว่าเจ้าเด็กน้อยลูกชายของเรามันย่องไปทำกุศลกับอาจารย์ทั้งหกแต่ความจริงอาจารย์ทั้งหกที่เราสอนธรรมะใดๆก็ตามทีเราก็ไปสนานักของแกเทศทรงเดชเท่านั้นไปฟังฟังไปดูดูแล้วก็กลับดีไม่ดีเวลาแกเทศเรากำลัคารเราไม่มีความเลื่อมใส เป็นที่ว่าการให้ทานในชีวิตของเราแม้จะกระสานเม็ดหนึ่งเรายัางไม่เคยให้แล้วนายคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของเราเขาทําบุญกุศล น, นี่ก็ทํากันอะไรกันแนะ่สงสัยตอนนี้จะยืนนึกสงสัยเมื่อหมดเมื่อสงสัยทนไม่ไหวที่ยังได้ถามว่านี่พรอคุณเธอบอกว่าอะไรนะว่าท่านให้ทานาเธอ บอกว่าเธอทําบุญทํากุศลนะฉันอยากว่าอยากจะถามว่าเธอนี่ให้ทานน้อยหรือให้ทานมากในเรื่องของฉันมันไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาอโบสถนี่ฉันอยากจะถามว่าเธอบอกว่าเธอเป็นลูกฉันแล้วเธอทําบุญทํากุศลไว้เธอทําในเวลาไหน อยากจะทราบนะว่าแอบไปทําบุญเมื่อไร่เนี่ยจึงได้เป็นเทวดากับเขาได้ในการทําบุญในเธอทํากับใครเธอทํากับอาจารย์ทั้งหกือว่าเธอทํากับพระสัพพะสมณะโคดมมานพเทวดาคือมตัตตโกนารีเทพบุตรฟังท่านวิดาผู้เป็นไม่ช้าได้ทิ่หรือเป็นคนผ่านคําว่าพ่านในที่นี้ก็แปลว่าสัญญาโง่ อ่าน ไ, ปไมปที่ไม่ใช่แปลวล่าเกเรภาระภาระเข้าไปวังโง่รู้ อ, อ่อนเจ้าหน้ตอบว่าเข้าไปเจ้าเป็นโรคไข้โรคภัยไข้ขเจ็บมีความลําบากมากท่านพ่อก็มีความเมตตายอย่างยิ่งไม่ความมอุสาหเจ็บยามารัษาเองจะให้หมอคนอื่นมารักษาก็ไม่ไว้วางใจเออตอนนี้ความสัดุ่ง แค่ไวไอ้เจ้านี่นี่มันพูดเนบแนมเรานี่หว่าความจริงเราที่เหนียวตั้งหกักที่เราไม่ได้เอาสมมาศาลที่เราไม่อยากจะเสียงเงินย่องไปถามยาว่าไอ้โรคประเภทนี้โรคผอมเหลืองเขารักษาก็ได้ยาอะไรหมอเขาบอกยาเก็ดมาเราก็เก็บยามาษาลเจ้านี่มันบอกว่าเราไม่ตาหน้าก็ไม่จะแดดดันเราอ้าวเช่างมันฟังไปก่อน จะว่ายังไงก็ช่างฟังต่อไปเธอก็บอกว่าเธอเจ็บร่างกายมากมีการรัสษาสายทุรนทุรายอยู่ในเรือนเดียวคนเดียวไม่ได้มีใครเป็นที่พึ่งเงินทองของพ่อมีตั้งแปดสิบกดไม่มีความหมายพ่อจะเอาเงินมารักษาลูกชายก็เกลงว่าจะหมด เกลงว่าอย่าเสียค uh ่ากำค่ากำไออะไรไค่าอะไรกับหมอน่ะเขาเรียกวข้าวผันข้าวเพราะว่าข้ายเจ้าจะได้มีโอกาสไปทําบุญที่ไหนก็ไม่ได้ไปทางนี้พ่ออะไรเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนผ่านเป็นมิจฉาทิฐิมีจิตไม่เริ่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าในเวลาที่ข้ายเจ้าลําบากกาย มีความทุรนทุรายพ่อเก็บไว้ในเรือนก็เกรงว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์เห็นสินจะขอหนุนขอห น, น, น, นี่ได้เห็นของที่มีค่าจิ่งได้นำมานอนไว้ที่ระเบียงเรือนในตอนเช้าวันหนึ่งได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พร้อมได้ค้านนท เป็นผู้ปราศจากกิเลสคือพระพุทธเจา้าผู้ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นทุลีแม้แต่นิดเดียวไม่มีในจิตของพระองค์พระไวยเจ้านอนหันหน้าไปข้างาขวาได้เห็นแสงอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์จึงได้เหลียวไปดูเห็นแสงตามแสงนั้นเห็นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดางามสง่า ย, ยืนอยู่หน้าบ้านกับพระอานนท์ จึงมีดำหนีจิตคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่สามคือมีปัญญาเลิศประเสริฐนักเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรโ ด, ดเราเรานอนหันหลังให้แต่ท่านสามารถจะเปล่งแสงให้ปรกากฏกระสายต า, าของเรา เมื่อหันไปดูแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามส ง, ง่าพร้อมพระปรชัพธพรรณรังสีลักมีทั้งหกประการเหตุฉะนั้นจิตใจข้าพระเจ้าจึงได้ชื่นบานมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรขณะนั้นอยากจะยกมือขนาวาให้มาสรรการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะป่วยหนักแม้แต่มือก็ยกไม่ไหว จึงเอาใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าดึกจิตเป็นกุศลเล่าใจเข้าไปเรื่มใสจึงได้เป็นที่พึ่งเทอาสัสเวลาจะตายก็จะเกิดเป็นเทวดาในข้อ น, นี้เราฟังเรื่องนี้กันไม่ยด้ฟังนิทานเฉยๆขอแวะสักนิดหนึ่งอขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโพดสดับฟัง จำถ้อยคําของมดาุนเลีเทพบุตรไว้ว่ามดาุณเลีเทพบุตรไม่เคยทําบุญอะไรมาในกาลก่อนเพียงเห็นองค์สมเด็จไปรินวรบรุมาสัตสันดาเพียงครั้งเดียวและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าจิตของเขาเลื่อมใสเป็นเหตุดนบรรดาลให้มาดาุณเดลีเทพบุตรเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั่งดาวดึงสเทวโลก ทังนี้ก็เพราะว่าเอาสัยนึกถึงพระพุทธคุณเป็นสำคัญฉะนั้นขอบนรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังตั้งใจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมฐา น, ราฐานหรือว่าตั้งใจเป็นบุญเป็นกนุศลได้คิดดอว่ากรรมใหญ่คือกุศลใหญ่ที่ยิง่งไปกว่านี้จะมีไม่ได้สำหรับเรา ก็อขอให้ท่านนึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคุมเข้าไว้ให้กําลังใจทรงอยู่ในกรรมฐานทั้งสองประการเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นพุทธานุสติก ร, รมมฐาน เพราะว่าเวลาที่เราจะตายจิตใจของเรามีความผ่องใสนึกถึงคำบรรณภาวนาอย่างนี้ได้ก็ชื่ว่าใจผ่องใสย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสวรรค์ได้โดยไม่ยากทั้งนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจา้าทรงรับรับรองในคาถาพระบาลีว่าจิตเตาสังขิริเทสุขติปาติกังขา เวลาที่เราจะตายถ้าใจของเราไม่เศร้าหมองนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่านึกถึงคุณพระธรรมก็ดีนึกถึงคุณพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงทานการบริจาคก็ดีนึกถึงพระธรรมเทศนาที่เราเคยสดับก็ดีนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลก็ดีเฉพาะอย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าไม่แต่เคยสร้างบาปกรรมทำลาหมกมาในกันก่อนองค์สมเด็จพระจินนวโรก็กล่าวว่าตายแล้วไปสู่สวรรค์เพราะกำลังใจของท่านเวลานั้นเป็นกําลังใจที่ประ ก, กอบไปด้วยกุศลนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพัก็ทรงยืนยันเรื่องนี้แล้วก็พรดีมัตต์กุณฑลีเทพบมุตก็ทรงยืนยันเหมือนกัน เป็นว่าท่านดาท่านนันหลายมั่นใจได้ในความดีของท่านแด้ความจริงท่านนหลายที่สร้างความดีนี้ไว้ดีกว่ามัตตคุลลีเทพบุรมากเพราะว่ามัตตคุลลีเทพบรจะยอมรับนักถือองค์สมเด็จพระผู้มีกระภพคากระเพียงก่อนหน้าเขาจะตายไปเดี๋ยวเดียวแลวได้ว่าพวกเรานี่ทาบุญอะไรกันมาบ้าง ภาวนาอะไรจะมาบ้างสมาทานสินกนก ง, งกันแล้วกี่ครั้งให้ทานกันแล้วกี่ครั้งฟังเทศกันแล้วกี่ครั้งภาวนาแล้วกี่ครั้งจะประมวลเทียบกับความดีของมัตต์กุณฑลีเทพบที่เทียบกันไม่ได้เป็นอันว่าบุญกุศลที่ท่านหลายทำไวแล้วมีกําลังใหญ่กว่ามัตต์กุณฑลีเพทพบดมาก ให้ได้การที่องค์สมเด็จพระพุทมีสภาพเจ้าทรงรับรองถ้อยคําของมตตกุณฑลีว่าการเลื่อมสายเองค์สมเด็จพระกินอาสีแม้แต่เพียงนิดหนึ่งก็สามารถไปสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นความเป็นจริงถ้าบังเอิญบุคคลใดที่เขาฟังเรื่องนี้แล้วก็สงสัยว่าเรื่องมันโกหกเขาบอกว่าพวกเต่าพันล้านปีนี้ชอบพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ อย่างนี้เราก็บอกเขาสิว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีถ้าเขาเป็นคนดีมีความสามารถจริงๆจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็ตามเจริญสมาธิจิตให้ได้ทั้งชา้นสี่แล้วถอยหลังจิตของเราเขามานี ร, ราฝึกทิพยจักุญญโดยจัดจับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคืออโรกสินโอทายติกสินหรือว่าเตโชกสิน อย่างใดอย่างหนึ่งทําถึงให้ถึงจิตเป็นที่ประจุขุยานจะทราบว่าค่อยคำขององค์สมเด็จพระวิชิตามานเป็นของจริงแต่เขาบอกว่าเขาขี้เกียจจะทดลองให้ก็าทรงทราบได้ว่าบุาาคคลผู้นั้นไม่ใช่คนและก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเขามีวาจาเป็นลักษณะของผานอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถเราต้องพิสูจน์ ถ้าหว่าเขาไม่สามารถจะไปสวดและไม่กลาวไปสวดก็แสดงว่าวาถะของเขาทำลายจิตใจและทำลายความดีของเขาเองอย่างที่เขาเลยเขาบอกเกลือมีรสเค็มไปมีความร้อนถ้าเราไม่รู้จักรสเค็มเราไม่รู้จักความร้อนเราก็ต้องเอาเกลือมาใส่ปากดูเท่าไ้รสเค็มมันเป็นยังไงจะได้รู้ความเค็ม หนึกไ ม, ม่รู้จักว่าไฟมันร้อนยังไงก็มือไปแย่ไฟก็สดหนิดนึงก็ย่งทราบว่ามันร้อนได้อาการร้อนเป็นประการใดถ้าเราไม่มีสูตรเราก็จะไม่ทราบว่ารสเค็มมันเป็นยังไงไฟมันร้อนยังไงข้อ น, นี้มีประมาชั้นใดเรื่องทําบุญเรื่องสวรรค์เรื่องพุมาโรคเรื่องนิพพานเรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายสัเดชฉันเป็นของธรรมดาที่สามารถจะไปสูจน์กันได้ ดังนั้นดังมีคนบางเหล่าหาว่าถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถ้อยคำของเต่าพันล้านปีแต่หากว่าองค์สมเด็จไปะจีนสีจะเป็นเต่าพันล้านปีไอ้เจ้าโฟนั้นเป็นก็ต้องเป็นป่าเต่าหลายแสนล้านปีนั่นเองคือมีควา ม, มงโมงโมากกว่านี้เป็นอันว่าธรรมะขององค์สมเด็ดเพจพระจีนสีท่านกล้าให้พิสูจนให้ทดลองเอามาคุยกันต่อไป เดี๋ยวก็อยาหาว่าไปด่าใครอีกไม่ได้ดา่าได้ฟังเขาพูดกันมาว่าไอ้พวกเต่าพันลันปีพันลันปีนี่ชอบโกหกนักชอบว่าตายแล้วมีนรกตายแล้วมีสวรรค์ความจริงตายแล้วศูนย์แต่ความจริงไอ้พวกพูดเน่ยมันศูนย์จริงๆเพื่อตายแล้วไม่มีโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาแล้วไปจมอยู่นู่นนหะอย่างดีก็เวทีมหานรกโอกาสที่มันจะประกากฏเกิดขึ้นมาเนีอยคหลายแสงกลับ หลายแสนนาสงไขกลับก็จึงนับว่ามันก็สูญไปจากพวกของบุคคลที่มีความดีนั่นเองเป็นอันว่าพวกเขาสูญกันแน่มันเล่าสังเรื่องของพรามต่อไปเป็นอันว่าเมื่อมานพนั้นกำลังพูดอยู่กับพรามนั่นแหละปรากฏว่าสรีระของพรามคือร่างกายก็เต็มไปด้วยอำนาจธรรมปีติ <c oughs> มีความชุ่มชื่นใจถึงกับน้ําตาไหลโลรน้ําตาไหลโลรนี่ความจริงไม่ได้เสียใจเพราะว่าน้ําตามันไหลได้ความดีใจว่าโอ๋นอลูกชายพวกเรานี้เขาเป็นคนดีนี่เราที่มันเป็นคน <c oughs> สําหรับเราเองกลายเป็นคนอับรีไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จตรวสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็ยังแถมกีดกันบอกคนอื่นว่าคนในบ้านทุกคนจะไปไหว้พระสมณโคโดมไม่ได้ใครจะให้ทานก็ไม่ได้ใครจะรักษาสิ่งก็ไม่ได้ใครจะไปฟังเทศก็ไม่ได้ใครขัดคําสั่งจะต้องออกจากบ้านนี้นี่ความจริงเรามันเป็นคนอภรรยจริงๆเพราะว่าพระสมณโคโดมในอุษาเดินบินาบัดผ่านผ่านหน้าบ้านอยู่เสมอเสมอเราก็ไม่ทํา ใ่คราวนี้เรามีลูกชายของเราเป็นผู้ยืนยันเขาแสดงตนว่าเขาเป็นเทวดารากฏให้ประสบเป็น น, นว่ามุนแม่แต่เพียงนิดเดียวเพียงเท่านี้นึกถึงองค์สมเด็จพระจีนศสีหน่อยเดียวเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์เั่นดาวดึงชื่นใจแล้วก็ดีใจเขา เ, เมื่อจะไปประก า, าความปีติคือความอิ่มใจนั้น ได้กล่าวเป็นพาสิทิไปว่านี่น่าสะเจนหนอหน่าประหลาดจริงหนอผลของความทางของผลของการทำอัญชลีขึ้นนึกไหวนะไม่ใช่ยกมือไหว <c oughs> เพราอนั้นว่าแสดงความเคารพเวลานั้นไม่ได้กุนลีที่ประมทยกมือไม่ไหวก็กล่าวว่าผลของการทำอัญชลีนี้ย่อมเป็นไปได้ทิ้งเช่นนี้ แม้เราเองก็มีใจเบิกบานแล้วมีจิตเรื่อมใสชื่นใจแล้วเราขอถึงองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วว่าเป็นสาธารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่เป็นพราพรานนั่นกลลาวกับมานบนั้นแล้วก็ดีใจกล่าวว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสาธารณะแปลว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> เมืตามลำดับนั้นท่านมานนก็กล่าวต่อไปว่า <c oughs> ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วไม่องค์สมเด็จพระบทีฑแก้วคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จงเลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ด้วยจงอยาเลื่อมใสแต่กายของพระพุทธเจ้าจงพอใจในคําสอนของพระองค์ด้วย แล้วก็จงเลื่อมสในพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไว้ว่าเสมอว่าขอท่านดังสามเหลา่าคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงเป็นดีพึ่งของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็กล่าวต่อไปว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมสอ ย, ย่างนั้นแหละแล้วก็จงสมาทานสิกขาบทห้าแบบการ จงรักษาสิขาบทท่ารายการนั้นไว้ด้วยดีอย่าให้ขาดอย่าให้ทำลายคือว่าจงรีบเว้นจากปากปากนาติบ่ายคือการฆ่าสัตว์ชีวิตหนึ่งสองจงเว้นจากถือของที่เจ้าบุคคลเขาไม่ให้ในโลกทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็าตามถ้าเจ้าของเขาไม่บอกให้จะเอายาหยิบออกมา อย่าใช้คํำวิส า, าสะเพื่อนกันก็ไม่ได้สามจงอย่าดื่มน้ําเมาสี่จงอย่าพูดปดห้าจงไม่พูดเต็มใจในพัญญาของตนแต่ผูดเดียว <c oughs> หมายความว่าไม่เจ้าชูนนอกใจพัญญาไม่นั้นว่าพราหมณ์เขารับวดีแล้วขอคุณดีแล้วสาธุสาธุขอกคุณเอย้ยสอนให้ดีแล้ว ฉันจะทำตามนั่นทุกอย่างในข้อกล่าวเป็นพาสิบไปว่าดูก่อนยักษ์คำว่ายักษน์นี่ไม่ได้หมายว่ายักษ์ละมเมียนนะฟังให้ดีคําว่ายักษ์แปลว่าผู้ไอหมกคนคนบูชาคือคนดีท่านเป็นผู้ใครในประโยชน์แกท้าวเจ้าให้ประโยชน์ฉันยิ่งใหญ่ดูก่อนเทวดา ท่านเป็นผู้ให้สิ่งเกือกูลแก่ข้าพเจ้าอย่างมากข้าพเจ้าจะทําตามถ้อยคําของท่านทุกอย่างข้าพเจ้าขอถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเออสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีความหมายนะนี่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยและเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด และข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์อาลัยสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่เพื่อด้วยเอถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษเหมือนกับเทวดาเอ้าถือว่าเป็นที่พึ่อใหญ่ข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ชีวิต <c oughs> จะเว้นจากเที่ยวของที่บุคคลไม่ให้ในโลกจะไม่ไดื่มนำม้ำเมา จะไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มไปด้วยความพอใ จ, จเฉพาะในเป็นพัญญาของตนตามพระบาลีกล่าวว่าลำดับนั้นเทพประมุกล่าวกับพรามณ์ว่าพราหมณทรัพในเรือนของท่านมีมากท่านจงไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานจงฟังพระธรรมที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงสอน แล้วก็จงถามปัญหาพระองค์สมเด็จตัศมาสมภัสจราอดังนี้แล้วเทวดาก็อันตรทานหายไปรามีความปลื้มใจคิดไม่ถึงเลยว่าโอ๋หนอลูกชายของเราที่ตายไปแล้วนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้เป็นเทวดาถ้ายังมาแนะนำเราผู้เป็นบิดาถือว่าเธอเป็นผู้มีคุณใหญ่ ยังเลยตัดสินใจว่าวันนี้แหละจะต้องไปเป้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสนาแต่อย่าลืมในบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายโดยทุนน่าว่าพรามคนนี้เป็นมิจฉาทิสิเป็นคนของศาสนาอื่นและก็เป็นคนศาสนาอื่นที่ใช้อะไรไม่ได้ไมแจะทานก็ไม่เคยให้ยังเล้กรีบกลับบ้านไปบอกกับท่านยายบอกยาย ไม่วันนี้โชคใหญ่เกิดกับฉันแล้วท่านยายก็ทําให้โชคอะไรวันนี้ฉันเจอลูกชายอสิลูกชายของเรามันเป็นเทวดาโอ้โหมาสวยแจวฉันไปนยืนร้องไห้ใชเราร้องไห้บงังเขาก็เล่าเรื่องราวเราใหนสับแล้ว ก, กล่าวว่าเวลานี้เธอบอกว่าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าคือพระสมณะโคดม เธอได้เป็นเธอดาบริสวรรค์ชันดาวดึงสถิวโลกเธอเตรียมอาหารไหมนะฉันจะไปในมณฑพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของเราอรบรรดาท่านพทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนี้พราหมณ์ก็ยังไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดแล้วนี่ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี